โลกทิพย์ภาคที่สคํญญาบรรยายชีวิตหลังความตายโดยนักบวชต่างชาติแต่อธิบายตรงกับหลักกรรมในพระไตรปิฎกสําหรับในภาคนี้เป็นเนื้อหาเชิงเทศนาขยายความจากภาคหนึ่งเพื่อเข้าใจสภาพชีวิตในรายละเอียดเชิงลึกและหลักธรรมที่สําคัญต่อการพัฒนาจิตไปพร้อมกันเนื้อหาแบ่งเป็นสามบทใหญ่ๆบทที่1อธิบายภาวะขณะตายและเรื่องของวิญญาณที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์จากหลายสาเหตุ หลายรูปแบบเรื่องของคนขณนะตายที่คล้ายการหลับเรื่องสายใยชีวิตและรายละเอียดปลีกย่อยที่ควรรู้อันจะทำให้เมื่อถึงเวลาจะวางใจให้ผ่องใสได้ง่ายจึงนำไปสู่สุขคติได้ง่ายการกระทำแบบไหนจากญาติที่ส่งผู้ตายไปดีหรือจุดรังไว้ให้ทรมานหนักกว่าเดิมเกี่ยวกับพิธีศพการสวดมนต์อธิษฐานจิตให้ผู้ตายแบบไหนที่ควรทาและเกิดประโยชน์กับผู้ตายได้จริง แบบไหนงมงายไร้สาระหาประโยชน์ไม่ได้แต่จะก่อทุกข์หนักกว่าเดิมโดยไม่จำเป็นตั้งแก่ญาติและผู้ตายบุญบาปกับเจตนาและพลังงานที่แผ่ออกมาจากสภาพจิตที่แตกต่างกันที่เหล่าโอปปปาติกะจะมองเห็นได้การเลื่อนชั้นภูมิด้วยตนเองการท่องเที่ยวของกายทิพย์ระหว่างหลับวิญญาณเร่ร่อนมีจริงหรือไม่มีได้อย่างไรเกี่ยวกับบ้านผีสิง และวิญญาณที่ต้องวนเวียนอยู่ในที่บางแห่งไปไหนไม่ได้การตายโหงตายมิทันตั้งตัวส่งผลต่อกายทิพย์อย่างไรความพิการของกายเนื้อและกายทิพย์เป็นต้นซึ่งน่าแปลกมากที่หลายเรื่องที่ท่านแนะนํานั้นมาตรงกับคําสอนและความเชื่อของพุทธศาสนาทั้งที่ท่านเป็นบาทหลวงที่มีชื่อเสียงและศาสนาของท่านไม่เคยสอนเรื่องพวกนี้ไว้เลยและท่านก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคําสอนของศาสนาอื่น เป็นเพียงเล่าให้ฟังกับสิ่งที่ได้พบเห็นมาตามจริงเท่านั้นสำหรับคำว่าวิญญาณและศัพท์บางคำในหนังสือเล่มนี้เป็นการใช้คำในความหมายแบบหยาบหรือความหมายในแบบที่คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายซึ่งมาพูดถึงในแง่วิชาการในทางพระพุทธศาสนาจะมีการใช้คำโดยมีความหมายอีกแบบหนึ่งนะครับการศึกษาธรรมก็ต้องเข้าใจแง่มุมในการสื่อสารแบบนี้ด้วย บทที่สองภาวะเมื่อเข้าสู่โลกทิพย์หรือโลกของโอปปาติกะซึ่งในที่นี้คือเป็นภูมิที่ท่านกําลังอยู่และเป็นความจริงเพียงส่วนหนึ่งของพบภูมิอีกมากที่มีความประนีตหรื อ, อยาบแตกต่างกันไปเปรียบเสมือนเป็นท้องถิ่นหนึ่งชุมชนหนึ่งเท่านั้นนะครับบทนี้จะบรรยายถึงสภาพแวดล้อมของสวรรค์ซึ่งในที่นี้ยังเป็นชั้นต้นๆที่ยังมีความใกล้เคียงกับชีวิตในโลกมนุษย์เพียงแต่มีความประนีตกว่าเท่านั้น ทั้งบ้านเรือนต้นไม้แม่น้ำของกินสภาพสังคมการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเป็นครอบครัวอดีตดคู่รักไปครองคู่ในสวรรค์ต่อได้หรือไม่การติดต่อการส่งกระแสจิตถึงมนุษย์ความเข้าใจผิดในพิธีกรรมทางศาสนาในโลกมนุษย์ที่จะเห็นได้ชัดในโลกทิพว่าไร้ประโยชน์อย่างไรบทที่3สภาพชีวิตของชาวโลกทิพย์อำนาจของความคิด การส่งกระแสความคิดสมรรถภาพของสมองในโลกทิพย์แสงของความคิดในภูมิมืดและภูมิสว่างกายทิพย์มีอวัยวะภายในเหมือนกายมนุษย์เพียงไรเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของโลกทิพย์ที่มีมาก่อนโลกมนุษย์และมีประชากรมากกว่าโลกมนุษย์หลายเท่าความเชื่อทางศาสนาแบบผิดๆการเปลี่ยนนิสัยและความเชื่อหลังตายนั้นทาได้แค่ไหน และปิดท้ายด้วยคำอธิบายตามทัศนะของพระพุทธศาสนาโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณ